เห็นใดรือมาดแมนธรรมกายจำสนิทนิมิตหมายมั่นแท้เลอเลิศล่วงกุศลใดอื่นเชิญท่านถือเอาแก้วก่องล่าเรืองสกล ขอความสุขสวัสดีจงมังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านสาธุชนเข้าสู่รายการธรรมะสุสันติซึ่งวันนี้อาตมาภาพก็จะได้นำเสนอธรรมสาระแก่ท่านสาธุชนเป็นประจำซึ่งรายการธรรมะนี้เป็นรายการของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิ ช, ชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี มีตารางการออกอากาศเผยแพร่ทั่วประเทศในเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตามจังหวัดต่างๆและสถานีวิทยุอื่นๆกว่า33สถานีทั่วประเทศในขณะนี้ซึ่งอาตมาภาพเองก็ทำหน้าที่นำธรรมะมาเสนอสู่ท่านสาธุชนให้ศึกษาสัมมาปฏิบัติเป็นประจำ สาธุชนอาจจะมองว่าการศึกษาธรรมะนั้นเป็นเรื่องไม่จำเป็นในการดาเนินชีวิตอาจจะมองเพียงเพืเพ่อ น, นผ่านผ่านไปว่าไม่ใช่ปัจจัย4ี่ในการดาเนินชีวิตแต่จริงๆแล้วธรรมะคือข้อปฏิบัติอันเป็นธรรมชาติซึ่งจะทําตัวเราให้ได้รับความสุขหรือความทุกข์เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษา ถึงแม้ว่าเราจะไม่นำธรรมะมารับประทานแทนอาหารเพื่อบำรุงบำเรอร่างกายให้เติบใหญ่หรือว่าให้ดารงชีวิตยอยู่ได้แต่อาหารใจนะถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วก็ใช้ธรรมะนั่นแหละเป็นเครื่องบำรุงบำเรอจิตใจของเราให้ผ่องใสให้บริสุทธิ์ผุดผ่องให้เป็นคนใจดี ให้มีคนมีเป็นคนมีเมตตากรุณานะให้เป็นคนมีพรหมวิหารธรรมธรรมของผู้ใหญ่ซึ่งเหล่านี้คือธรรมะเท่านั้นแหละที่จะเข้าไปบริหารจิตใจของเราให้เป็นให้ทรงฐานะตามฐานะของผู้ใหญ่หรือผู้น้อยหรือผู้เสมอกันให้อยู่ตามความเหมาะสมของตนของตนได้ฉะนั้นเรื่องการศึกษาธรรมะ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องทำความเข้าใจซึ่งวันนี้ทางรายการก็จะข อ, อนำเสนอธรรมะอันเป็นประโยชน์ในเรื่องความหลงและวิธีทางแก้ไขมาสู่ท่านสาธุชนเพราะว่าความหลงนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่จะทำให้เรากระทำความผิดห่างไกลจากศีลธรรมหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณท่านได้กล่าวไว้ถึงความหลง ซึ่งมีอวิชชาเป็นมูลรากเป็นเหตุเป็นต้นเหตุในการบังคับบัญชาจิตใจของมนุษย์ให้ประพฤติผิดหลงไปไม่รู้จักบาปุลคุณโทษตามที่เป็นจริงอันนี้คือข้อหนึ่งที่จะต้องทำความเข้าใจและหลวงพ่อท่านยังได้แนะนำวิธีทางแห่งการแก้ไขความหลงคืออวิชชานั้นด้วยวิธีทางแห่งพุทธธรรมคาสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่าสนใจเลยทีเดียวขอเชิญท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจศึกษาธรรมบัรยายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณในเรื่องความหลงและวิธีทางแห่งการแก้ไขความหลงนั้นขอเชิญท่านสาธุชนพบกับหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลโอพร้อมกัน นณบัดนี้แนะนำธรรมะปฏิบัติแก่ญาติโยมตามสมควร่วันนี้เวลาน้อยก็จะขอใช้เวลาประมาณสักสิบห้ายี่สิบนาทีเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเอาแต่นั่งหลับหูหลับตาโดยที่เราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุก็อาจจะไม่ได้ผล หรือได้ผลน้อยหรือไม่ก้าวหน้าไปเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราก็คุยกัน อ, อย่าถือเป็นความเครียดในทางวิชาการแต่ว่าถือว่าเรามาให้รู้ให้เข้าใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อ่ครที่จะพูดถึงเรื่องซึ่งตั้งใจจะพูดคือตั้งใจจะพูดในอันดับที่สองขั้นที่สองต่อจากขั้นแรกนั่นก็อยากให้ฟังบทสรุปย่อสักนิดในเบื้องต้นสำหรับบางท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินเพราะเพิ่งมา ว่าการเข้ามาปฏิบัติธรรมนั้นจริงอยู่ทุกท่านก็พอจะเข้าใจความหมายเราๆว่าปฏิบัติธรรมนั้นปฏิบัติเพื่ออะไรแต่ความเข้าใจเราๆนั้นอยากให้เข้าใจลึกซึ้งพอสมควรและให้ถือเป็นเรื่องสำคัญ กล่าวคือให้ถือเอาเป็นสติสำมะชัญญาได้เรียกว่าธรรมามนุสติมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมซึ่งก็คือหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาสติปัฏฐานทั้งสี่นั่นเองคุณโยมนั่งสามสบายนะนั่งสามสบายไม่ต้องพนมมือก็ได้ ทีนี้วัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ที่ว่าให้มีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมซึ่งจะขอย้อนกล่าวอีกนิดนนก็คือว่าเราต้องมีความรู้สึกตัวพร้อมอยู่เสมอก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำสิ่งใดทั้งปวงในชีวิตประจำวันของเรา ว่าเรามาปฏิบัติธรรมมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อการกำจัด ก, กิเลสเหตุแห่งทุกข์กิเลสมีเป็นทุกข์ทั้งเราและทั้งเขาถ้าเราปล่อยให้จิตใจตกอยู่ในอำนาจของกิเลสแล้วดนจิตโดนใจให้คิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ชื่อว่าสังขารโดยเฉพาะอย่างยิ่งยึดมั่นถือมั่นในตัวเราด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความหลงผิดทั้งๆ ท, ที่ตัวเราจริงๆนั้นมีเหมือนไม่มีแต่เราท่านทั้งหลายมักจะเข้าไปยึดกันยึดอย่างไร ยึดว่านี่ตัวเรานี่อารมณ์ของเราใจของเราซึ่งตัวเราอาจจะประพฤติผิดพูดผิดใจเราอาจจะคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดด้วยอำนาจของกิเลสปรุงแต่งก็ได้ เพราะฉะนั้นหากเรามีสติอยู่เป็นประจำว่าเรานี้มาปฏิบัติธรรมเพื่อการละกิเลสและไม่ใช่มาคิดจะละกิเลสเฉพาะตรงนี้เรามาฝึกนี่มาฝึกเพียงเพื่อให้รู้แล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันทุกเมื่อทุกเวลาทุกโอกาส แม้กระทั่งเราจะทํากิจการงานใดๆพึงกระทาไปโดยมีสติสามัชัญญะว่าเราจะไม่ตกอยู่ในอํานาจของกิเลสถ้าท่านทั้งหลายทําได้อย่างนี้แล้วก็อันนี้แปลว่าท่านปฏิบัติธรรมนั้นได้ผลแต่ถ้าท่านไม่ได้ทําถึงจุดตรงนี้การปฏิบัติธรรมนั้นยังไม่ได้ผล เพราะอะไรเพราะไอ้ความเข้าไปยึดนี่แหละมันยังมีอยู่หนาแน่นหรือความที่เป็นกิเลสเป็นตัณหายังมีอยู่หนาแน่นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาตมาเนี่ยค่ายจะย้ำค่ายจะเน้นอยู่เสมอกิเลสสำคัญรู้กันทุกคนโลภโลภ รู้กันทุกคนแต่ว่าให้แถมออกไปนิดตัญหาราคะ<ม>ก็ยังพอรู้กันอีกแหละพวกเรามาปฏิบัตินี่ก็คงจะลดกันไปเรื่อยๆแต่ว่าไปหลงรักนี่หลงยึดตัวนี้สำคัญยึดตัวเรา สังเกตดูในท่านทั้งหลายสังเกตดู mm. เมื่อท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมแล้วกระทบกับอารมณ์ต่างๆเมื่อกี้พูดด้านเดียวว่าโลภ mm. แต่ถ้าอีกด้านหนึ่งก็โทสะห mm. งุดหิดโกรธพยาบาทกินไปถึงอิจฉาริษยา mm. มากมาย ยังมีอีกอันหนึ่งที่คอยปรุงแต่งอยู่เบื้องหลังคือความหลงหลงนี่หลงไม่รู้จริงในธรรมชาติตามที่เป็นจริงนี่เรื่องใหญ่เรื่องสำคัญจะต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแต่ที่สำคัญที่สุดคือหลงตนหลงตนยังไงหลงตนว่าใหญ่ ว่าสำคัญหลงต น, นี่มีมาจากไหนกิเลสตัวใหญ่ตัวสำคัญคือตัวมานะทิฏฐิมานะทิฏฐินี่ตัวใหญ่ตัวสำคัญแตกหนอแตกแขนงกระจายออกไปทำให้โลภะราคะทำให้โทสะโมหะนี่เจริญงอกงามความหลงตัวหลงตน ให้สังเกตดูนะสังเกตตัวเราสังเกตตัวเราเรียกว่ามีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมณภายในสังเกตคนอื่นมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมณภายนอกแต่ตรงนี้ต้องระวังให้ดีสังเกตณภายในนั้นต้องดูมีสติสัมปชัญญะดูใจของเราเสมอเสมอ ดูกิเลส ข, ของเราเสมอๆว่ามันโผล่มาหรื อ, อยังถ้ามันโผล่มาแล้วเรารีบรู้ตัวเชียวรีบรู้ตัวคนเรามันยังไม่หมดหรอกอัตมาผู้พูดก็ยังไม่หมดแต่ว่าขอให้มีความตั้งใจว่าให้ตั้งใจว่าเรามีสติก่อนคิดพูดทำมีสัมปชัญญะขณะคิดพูดทำว่าตกอยู่ในอํานาจของกิเลสหรือไม่ อำนาจของกิเลสซึ่งอัตมาจะพูดวันนี้จุดนี้ใครจะเน้นตัวสําคัญตัวมาณนะพิธิตามตํารานะมานะบอกว่าดีกว่าเขาก็สําคัญตนว่าดีกว่าเขาจึงีต้องแถมคําว่าจึงจึงยกตนข่มท่านดีเสมอกับเขาก็ว่าเรามันเสมอกับเขา จึงไม่ลดลาวาศอกให้แก่กันต่ำกว่าเขาหรือเลวกว่าเขาก็สำคัญตนว่าเลวกว่าเขาต่ำกว่าเขาเลยมีปมด้อยความจริงมันมีถึงเก้าข้อพูดกลับไปกลับมาอยู่แค่นี้แต่จะสรุปตรงนี้สักนิดตามหลักวิชา ว่าถ้าดีกว่าเขาแล้วสำคัญตนว่าดีกว่าเขาจนถึงยกตนข่มท่านนี่ก็เป็นด้วยอํานาจของกิเลสดีกว่าเขาแล้วสำคัญตนว่าเสมอกับเขาใช้ไม่ได้ต้องรู้ตามที่เป็นจริงว่ามันดีกว่าเขาอย่างไรแน่ชัดแต่ว่าไม่ยกตนข่มท่านและก็ไม่ถ่มตัวจนเกินไป เสมอกับเขาก็รู้ตัวว่าเสมอกับเขาตามที่เป็นจริงแต่ว่าไม่ถึงกับแข็งข้อพอยอมกันได้ก็ยอมตำกว่าเขาก็ไม่ฮึกเหิมเกริมว่าตัวนี่มันสูงกว่าเขาหรือมันดีเสมอกับเขาจนถึงยกตนเทียมท่านหรือสูงกว่าท่านไปอีกไอ้นี่ใช้ไม่ได้เลย แต่ตามกว่าเขาเรารว่าอ่อนี่เราตามกว่าเขาตามที่เป็นจริงอะไรไม่ดีเราปรับปรุงให้ดีขึ้นอันนี้ถูกต้องตัวมาณทิฐิที่พูดนี่พูดตามหลักการซึ่งเมื่อปฏิบัติไปแล้วทราบซึ้งไปแล้วเราจะเข้าใจในรายละเอียดของมันแต่เราลองมาพิจารณาดูเราเคยมีอย่างนี้ไหมถ้าใครเคยมีแล้วก็ให้จาไว้ มีอะไรดีกว่าเขาปฏิบัติดีกว่าเขาแล้วเรารู้สึกว่าแหมมันฟูใจขึ้นถ้ามันฟูว่าเรามันเก่งกว่าเขามันเหนือเขามันอะไรเขานั่นตกอยู่ในอำนาจของกิเลสแล้วคือตัวมานะทิฐิตัวสำคัญเตรียมพ่แพ้ได้ เหมือนการรบกับศัตรูถ้าเรานึกฮึกเหมิมว่าเราเหนือคนอื่นเรื่อยไปโดยไม่รู้กำลังคนอื่นมันแพ้ไปตั้งแต่ยังไม่ได้รบปฏิบัติธรรมเหมือนกันเราปฏิบัติไปบางคนก้าวหน้าไปถึงธรรมกายแล้วฮึกเหิมเหนือนคนอื่นแล้วอย่างนั้น เตรียมตัวได้เตรียมใจได้ว่าท่านกำลังลงแล้วหรือดีกว่าคนอื่นในทางโลกยกตนข่มคนอื่นเรื่อยไปมองคนอื่นนี่ไม่เห็นศรีรษะมันข้ามไปหมดไอ้นั่นจําไว้ว่าท่านกำลังเป็นตายอดด้วนคนจะคบค้าสมาคมด้วยเขาก็าไม่อยากจะคบเนี่ย แล้วว่าเมื่อไม่ยกตนข่มท่านมีอีกประเภทหนึ่งนึกแต่ว่าเรามันด้อยกว่าเขาอะไรกระทบหน่อยไม่ได้ใจน้อยใจน้อยนี่ก็เป็นผมด้วยนะบางคนเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาแค่ในสังคมน้อยน้อยเนี่ยบางทีมากระทบซ้ายกระทบขวาหน่อยหนึ่ง ก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุหรืออาจจะรู้แทนที่จะถือว่านี่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องธรรมชาติเดินไปบางทีเราสะดุดตอมั้งเราไปเหยียบเอาหนามมั้งมันเป็นธรรมชาติวางเสียไม่ยึดไม่ถือมันมากนักมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรายึดถือ ต, ตัวตนอะไรโดนเราหน่อยไม่ได้กระทบอารมณ์หน่อยไม่ได้หงุดหงิด ดีไม่ดีบางคนไปกระทบหน่อยเดียวหายไปเลยหายไปตั้งเป็นเดือนกี่เดือนก็ไม่รู้นี่เรื่องปฏิบัติธรรมะไม่ได้ผลเพราะจริงๆเราปล่อยวางนะสิ่งที่เรากระทบอารมณ์ดีก็ตามอย่าหลงบางคนไปเห็นอะไรดีๆงามๆโกโก้หรูๆติดซะแล้วบางทีไปหลงนึกว่านั่นเป็นธรรมะซะอีกสวัสดีเลยอย่างนี้เป็นต้น ธรรมะก็ธรรมะกฎเกณฑ์ธรรมชาติทำดีเป็นดีและก็ได้ดีทำไม่ดีเป็นไม่ดีและก็ได้ไม่ดีชัดเจนสิ่งที่ประกอบอยู่ภายนอกเป็นเพียงกระพี้อาจจะชี้แสดงความดีซึ่งเป็นคุณธรรมก็ได้หรือไม่ใช่ก็ได้หรืออาจจะซ่อนเงื่อนซ่อนปมเป็นกระโลบายหลอกลวงก็ได้ เอาแน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านปฏิบัติไปแล้วพอท่านเห็นปุ๊บบางทีอย่างรู้เลยนะว่าไอ้นี่ดีหรือไม่ดีมันรู้ตามความละเอียดของใจของเราแต่ถ้าเราใจไม่ละเอียดไปเจอของน่ารักน่าใครน่ายินดีน่าหลงก็หลงไปเจอรูปหลงรูปเจอเสียงดีชอบ หลงเสียงเจอคําพูดที่ดีชอบอกชอบใจถูกใจหลงมันเป็นอย่างไงทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งไม่หลงนะงุดหงิดเจออะไรหน่อยหนึ่งงุดหงิดไปแล้วคนงุดหงิดคนเจ้าอารมณ์นี่เลยหรือบางคนจู้จี้ชอบเอาเรื่องนั่นเพราะอะไรเพราะยดึดยึดตัวเองคนที่ชอบจู้จี้ขี้บน่น ที่งุดหิดตัวเองก็ไม่สบายไม่สงบคนอยู่ใกล้ชิดก็ไม่สงบเมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้วมันจึงควรจะสงบธรรมะนี่ไม่ใช่ว่ามันนั่งหลับตาจะเห็นต้องล้างใจด้วยปัญญาว่าอย่ายึดให้มันมากนะยึดมากมันทุกข์นะหุดหิดหุดหิดจะทุกข์เลยที่พูดนี่อาตมาไม่ใช่ไม่เคยเป็นคนหุดหิดนะเคยเป็น แล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่บ้างแต่เป็นแล้วรีบรู้ตัวรีบรู้ตัวก็จะได้คลายความหงุดหงิดถ้าไม่รู้ตัวมันก็ไม่คลายมันเป็นทุกข์นี่แหละปฏิบัติธรรมแล้วให้ธรรมะมันล้างใจเราด้วยสมาธิและด้วยปัญญาและรวมเข้ามาเป็นสติสัมปชัญญะ รู้ตัวตลอดเว ล, ลาวาอ๋อเราดีไม่ดีเราปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติถูกสีมเราดีเรียบร้อยดีแล้วนะโอเคแต่ทีนี้สติสัมปชัญญะความเป็นอยู่ของเราในครอบครัวก็ดีในวงงานก็ดีในสังคมก็ดีแม้จะเข้ามาในสังคมย่อยๆนี้ก็ดี เรามีสติสัมปชัญญะพอคุ้มครองรักษาตัวได้หรือยังรักษาคุ้มครองตัวได้เดี๋มันสบายนะโยมสบายเมื่อสบายใจมันก็สบายกายถึงตายมันจะเป็นอะไรบ้างมันก็ธรรมชาติของมันอันไหนเรารักษาได้ป้องกันได้มันก็ได้อันไหนไม่ได้มันก็ต้องปล่อยมันไปเท่าที่มันเราจะรักษาได้แต่ใจนี่นะ เป็นเรื่องที่เราอบรมได้ทำให้ดีได้เพราะฉะนั้นสติสัพชัญญาข้อนี้อาจมาอยากจะขอเน้นญาติโยมนะปฏิบัติแล้วอย่าหลงรักแล้วก็อย่าหลงชังอย่าหงุดหงิดอย่าเอาเรื่องเอาราวมากจุกจิกยุ่มยิ้มลูกหลานมันคงแย่ลูกหลานมันคงแย่ ยิ่งแก่ แ, แล้วยิ่งแหม่จริงๆเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมให้มันได้ผลแล้วก็เตรียมฝึกมันไปตั้งแต่บัดนี้ให้ปัญญามันส่องสว่างเห็นสิ่งที่เป็นแก่นสารสาระเห็นสิ่งที่ถูกต้องเห็นสิ่งที่บริสุทธิ์ตามที่เป็นจริงและอย่าหลงรักในสิ่งที่ไม่ควรหลงอย่าหลงชังในสิ่งที่ไม่ควรหลงชัง ในสิ่งที่ไม่ควรเกลียดแล้วลงท้ายสำคัญที่สุดคืออย่าหลงในเรื่องที่ไม่ควรหลงหลายอย่างนะคำนี้มีความหมายลึกมีความหมายกว้างมีความหมายละเอียดเอือบจะเรียกว่าชีวิตของเรานั้นมันอยู่ในห่วงแห่งความหลงทั้งสิ้นเหมือนกเราอยู่รอบบรรยากาศเทียงกับววบรรยากาศนั้นสะอาดหรือบริสุทธิ์ นั่นแหละความหลงของคนเรามันเหมือนอย่างนั้นแหละมันอยู่รอบตัวเราทุกขณะกิจทุกนาทีหลงตั้งแต่เอาอย่างนี้ธรรมปฏิบัติอาตมาบอกไว้ก่อนเลยนะว่าให้เราเดินตามแนวทางพระพุทธเจ้านึ่ปฏิบัติตามทางสายกลางมักแปดนั่นพยายามตรึกเอาไว้ นึกอะไรไม่ได้ศีลสมาธิปัญญาเดินตามสายกลางเท่าที่เราปฏิบัติได้มุ่งหน้าต่อไปให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ลดละและมีจุดมุ่งหมายว่าเป็นไปเพื่อการละกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีหลักและเราปฏิบัติเราจะไม่วุ่นวายเราจะไม่ไปดูโน่นดูนี่โดยไม่จำเป็นการดูโน่นดูนี่อัตารมาสอนเหมือนกันนะสอนเพื่อให้รู้ให้เห็น ว่านารกสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงอย่างไรให้เห็นซะว่ามันเป็นอย่างนี้แต่เห็นแล้วอย่าไปหลงดูเละเทอะเปรอะเพลอนไม่หยุดไม่ย่อนนะเพราะอะไรเพราะภาคมาในที่สุดละเอียดเนี่เขาจ้องอยู่เมื่อเขาจ้องอยู่แล้วเขาก็ดนจิต ด, ดนใจให้เราเละเทอะไปได้แล้วนั่นเป็นทางเสื่อมนี่เริ่มตั้งแต่ธรรมะปฏิบัติเนนะีต้องเดินให้ถูกทาง ทางสายกลางคือทางละกิเลสเมื่อทำไปแล้วละกิเลสไม่หลงอันนี้แล้วก็ใช่ล่ะถ้าว่าตามหลักวิชาก็มรรคแปดแต่มรรคแปดถ้าปฏิบัติถูกแล้วมันไม่หลงกิเลสมันหมดไปหมดไปมันมีแต่สิ่งที่เราเข้าไปรู้ไปเห็นตามที่เป็นจริงเห็นแล้วเราก็เป็นเป็นสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์ตามที่เป็นจริง เป็นธาตุล้วนทำล้วนไม่ประกอบด้วยกิเลสอวิชชาคือความหลงให้เกิดตัณหาอุปทานเข้าไปยึดไอโนนเป็นอย่างนั้นไอหนิดเป็นอย่างนี้ยึดมากนะอาตมาสังเกตดูบางท่านยึดไปยังไงปฏิบัติไปปฏิบัติไปปรเดี๋ยวก็ไปโน่นไปหลงเข้าทรงบ้างละไปหลงอะไรไม่ต่ออะไรซึ่งมันอยู่นอกเรื่องในพระพุทธศาสนาและอยู่นอกเรื่องของการกําจัดกิเลส เมื่อออกนอกเรื่องไปมันนอกไปนอกไปมันก็มีค่ากับคนธรรมดาเหมือนกันเข้าไปยึดไปเกาะในอารมณ์ภายนอกมากเข้าหลงมากเข้าก็เลอะเทอะไปใหญ่เลยไอ้คุณความดีของเรามันก็ไม่ทันกิเลสกิเลสก็เลยครอบครองหัวใจนี่พูดแบบธรรมดาแต่พูดในแบบภาษาธรรมะถ้าออกนอกลูกนอกทางก็ว่าภาคมารหรือบาปอสุศลเขายึดในที่สุดละเอียด อยู่ในธาตุธรรมเห็นจำที่รู้ที่สุดละเอียดทำให้รู้ผิดคิดผิดเห็นผิดทำผิดแม้แต่ผู้ที่ว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ๆแล้วดังจนทะลุฟ้าแล้วก็อาจจะล่มได้โดยเห็นถูกยึดสุดละเอียดด้วยอำนาจของกิเลสทีนี้เราเองละ่ะอาตมาก็เป็นแต่เพียงอาจารย์น้อยๆพระน้อยๆสอนโยมก็เลยสอนบอกว่าโยมเอ้ยพวกเราเป็นพวกน้อยๆ เพราะฉะนั้นก็ต้องอย่าประมาท เ, เมื่อเราไม่ประมาทแล้วกิเลสเรามันจะได้น้อยๆสติสัมปชัญญะเราดีแล้วกิเลสเราน้อยๆมันก็อยู่สบายตามส่วนของเร า, เราไม่รู้ราไม่ฟู่มฟ้าแต่ว่าไม่ไปอบายภูมิ เ, เอาอย่างงี้จุดมันอยู่ตรงนี้ปฏิบัติไปอยู่ที่ไหนก็สบาย ถึงมันจะมีปัญหาก็ไม่มากหรอกมันแก้ได้เพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่ธรรมะปฏิบัติต้องปฏิบัติให้ถูกทางถูกวัตถุประสงค์อาตมาเห็นนะโยมบางทีถ้าปฏิบัติผิดทางแล้วมันเลอะพอมันเลอะแล้วมันคุมจิตใจไม่อยู่และนี่คืออันตรายแล้วก็กลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีว่าแม้ปฏิบัติธรรมะไปแล้ว สติสตางไม่ค่อยจะดีหรือปะเหมาะยาดีก็ดีดียาไม่ดีระเบิดตูมตามขึ้นมาไม่ดีนี่นีบแล้วว่าไม่ได้ผลปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นอย่าให้เสียชื่อพระพุทธเจ้า ว, ว่าเรามาเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่ ง, งพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งเอาละพระสงฆ์อย่างอาตมาพระสงฆ์น้อยๆก็พึ่งแค่ที่อาตมาบอกเลย ก็คงจะไม่ไปในที่เสื่อมเอาอย่างนี้นะแล้วมันจะสบายไปที่ไหนก็บอกอ๋อไปปฏิบัติธรรมบอกเห็นถึงธรรมกายยังบอกยังไม่ถึงเออแต่ว่าดูท่าทางสงบเสงีย่ยมดีจิตใจเรียบร้อยดีดูอะไรมากระทบกระเทือนสิ่งที่ดีสิ่งที่ทำให้หลงก็ไม่หลงไม่หลงรักไม่หลงเกลียดไม่หลงชังไม่หลงเลอะเทอะสงบ มีปัญญามีสติสามปัญญาเออไอนี้ดีสาธุชนก็ได้รับฟังสารธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณในเรื่องความหลงและวิธีทางแห่งการแก้ไขความหลงนั้นจบลงไปแล้วซึ่งเป็นธรรมบัญญายที่มีประโยชน์แก่การที่สาธุชนจะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจาวันให เป็นผลเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นร่มเย็นเป็นสุขและรู้สภาพธรรมเหล่านี้อย่างแท้จริงตามหลักพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างชัดเจน <c oughs> ก็คิดว่าคงจะได้ประโยชน์จากสารธรรมจากธรรมบัญญายเรื่องนี้สำหรับรายการธรรมะสู่สันติวันนี้ก็คงจะต้องลาท่านสาธุชนไปก่อน ขอท่านผู้สนใจโปรดติดตามรับฟังสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทิญเจริญพร